คำว่าศีลเนี่ยขอบเขตเป็นอย่างไรเป็นธรรมะที่ควรแตกกระจายออกไปศีลคำว่าศีลเนี่ยเพราะอัดว่าอะไรนะชื่อว่าศีลได้แก่อะไรเจตนาเป็นต้นชื่อว่าเป็นตัวศีลนะเจตนาศีลเจตสิกศีลอวีติกมะศีลพวกเนี่ยสังวรศีลเรียกว่าศีลศีลเพราะอัถฐว่าอะไรศีลเพราะอัถะว่าเป็นศีลนะ คือหมายความว่าสีนี้เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งะนะกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปแล้วก็สีเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาเป็นเรียกว่าเป็นมารยาทชั้นสูงเป็นมารยาทอย่างดีทางกายทางวาจาเมื่อบุคคลประพฤติตามมารยาทเหล่านี้แล้วจะไม่ต้องเดือดร้อนใจจะไม่กินแหลงใจตัวเอง นคนที่ประพฤติปฏิบัติใช้ถ้อยคำและคำพูดจนไม่กินแนงแข็งใจตัวเองได้นับว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นคนที่ที่น่ากราบไหว้น่าบูชามากผู้ที่ปฏิบัติได้ในในชั้นนี้หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ในชั้นสูงยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นเช่นเรื่องของสมาธิคือผู้ที่ อ บ, บรมเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อนเนื่องสมาธิก็คือกุศลจิตที่เกิดอย่างน้นาแน่นและต่อนเนื่อง<น>เกิดมากฉั้นคนที่จะมีจิตเป็นกุศลได้อย่างต่อนเนื่องมากๆเนี่ยคนนั้นแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานศีลอย่างดีเยี่ยมนั่นแหละฉั้นถ้าหากว่ากายกรรมเป็นที่กินแหนงใจแล้วก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจแล้วกุศลจิตมันก็สะดุดละ กุต่ลรจิตก็ไม่เลื่อนเกิดได้ไม่นานใช้ชีวิตในสมณะเพศเนี่ยจะมองเห็นชัดว่าถ้าเราศีลไม่ค่อยดีเนี่ยจิตใจเรากระวนกระวายเราเห็นชัดเลยสมมติถ้าหากว่าเป็นอับบัตสักข้อหนึ่งโอ้โหนอนไม่ผาสุกเลยอย่าว่าแต่มีพานเนนรกจะพ้นหรือเปล่าเนี่ยการอบรมสมาธิเนี่ย นึกถึงพุทธคุณเมื่อไหรปับ๊บเอ้เรานี่ไม่ปฏิบัติตามโอวาทนึกถึงธรรมคุณเมื่อไหรเอกเราก็ประพฤติไม่บริบูรณ์นึกถึงสังฆคุณเมื่อไร่พระสงค์สมัยก่อนท่านไม่ได้ทําตัวกันอย่างนี้นึกแล้วก็มันไม่ได้เรื่องทุกอย่างเลยแต่ก็ผู้ที่ฉลาดก็จะบอกว่าข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปคือจะทําคืนทําคืนและจะไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้อีกเพราะะนั้นต้องอธิษฐานจิตต้องตั้งจิต คิดจะแก้ไขยอยู่เสมอจึงจะจึงจะพอแก้ปัญหาด้านจิตใ จ, จตรงนั้นได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลําบากมากกุศลจิตเกิดไม่ต่อเนื่องเมื่อกุศลจิตไม่ต่อเนื่องนะกระจิตกระใจที่จะมาคิดโอ้นี่ขันนะนี่โรคโรบทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกไม่รู้จะคิดไปทําไมมันเหือดแห้งอะ่ะเป็นชีวิตที่เหือดแห้งเป็นชีวิตที่แห้งแล้วอันชีวิตของผู้ที่ไม่มีศีลเนี่ยเป็นชีวิตที่ เป็นทุกอย่างมากมายมหาสาเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความกระวลกรไว้นี่หมายความว่าหมายถึงพระภิกษุผู้มีหิริโอตปะใช่ไหมครับเจนพานปณิชาบอหาว่าภิกษุที่ไม่มีหิริโอตปาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแคร์ใช่ไหมครับเรื่องศีลเนี่ยแล้วก็จะมีวิวปฏิสารไหมครับอ่าเขาบอกว่าวิปติสารนี่จะเกิดกับคนดีนะคนชั่วไม่เกิดอ๋อท่านเลยฮะเจนพานเป็นโรคของคนดีครับอ๋อ ครับเพิ่มเข้าใจเนี่ยครับเจนทอนผมนึกว่าไปรบกวนแล้วเขาอยู่ได้ยังไงครับเจนทอนถ้าหากว่าผู้ที่เป็นอรัชชีก็คือผู้ที่ไม่มีหิริโอตปะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่รู้สึกอะไรแต่อยากคิดว่าเขาไม่ร้อนนะ อ, อันนั้นก็คือเหมือนกับก็บอกว่าไฟเนี่ยสมมติว่าคนตากแดดตากแดดเปรี้ยงๆกลางวันเลยเนี่ยบางคนเนี่ยชาวนาก็ตากมาจนชินแล้วยมพ่อนเนี่ยถอดเสื้อตากแดดสบายๆเลยถามว่าร้อนหรือเปล่าร้อน ของคนที่อยู่ในร่มตลอดไปตากแดดเท่ากันนั่นแหละมันอยู่แทบไม่ได้เลยอ่ะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ชินในเรื่องนั้นนั้นฉะนั้นคนที่ประพฤติล่วงศีลธรรมบ่อยๆมากๆไม่ใช่เขาจะมีความสุขไม่ใช่เขาจะไม่รอม้อนคนที่เป็นแผลเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะสมมติเกิดมาไม่เคยเป็นแผลเลยมีดบาดสักนิดเดียวนี่ก็เจ็บละแต่บางคนเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดมาแขนขาดขา ด, ด้วยอย่างนี้มาก็เฉยเฉย เพราะว่ามันสักชำนาญและชินแล้วมันเป็นความด้านอย่างนึงเพราะฉะนั้นคนที่ด้านลักษณะเนี้ไม่ใช่เขาไม่ไม่ทุกร้อนจะทุกร้อนจริงๆก็เวลาใกล้ตายคนเหล่านี้พอรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยตายแน่ทีนี้มันจะเริ่มสำนึกดีชั่วขึ้นมาแล้วเพว่าเวลาที่นอนอยู่ในเตียงใกล้จะมรณะเนกถึงเราเนาะความดีก็ไม่ได้ทามา ความชั่วกรอกอไว้มากมายมหาศาลคติของคนชั่วก็ไปในที่ไม่ดีเราก็หนึ่งในคนชั่วทั้งหลายแหละบาปมันมีเราก็ตกนรกนั่นแหละหรือบางทีคิดไปคิดมาก็ปลอมปลอ บ, ล อ, บอกปลอบใจตัวเองไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เป็นชีวิตที่เหือดแห้งที่สุดอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องไปปฏิบัติตัวให้ไปถึงจุดอับขนาดนั้นแล้วก็ค่อยคิดกลับลำก็กลับลำซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะว่าถ้าเราทํากุศลหรือเจริญกุศลได้อย่างบ่อยต่อเนื่องชีวิตของเราในอนาคตก็จะผาสุกนะนะอภยากตะธรรมมันจะมีน้อยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะอะไรเอ่ยอัพยากตะธรรมรูปารมณ์นี่เป็นอัพยากตะธรรม<ช>ศรัทธารมณคันธารมรส า, ารมและโพธารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นอัพยากตะธรรมถึงมันจะมีน้อยห น, น่อยก็ไม่เป็นไรขอให้กุศลธรรมเนี่ยมันนานแน่นยิงอยู่ว่าเราอาจจะ มานะประเภทเราเสมอเขาอาจจะไม่ค่อยมีนะหรือมานะที่ว่าสูงกว่าเขาไม่ค่อยมีหรือว่าจะมีเฉพาะมานะประเภทเราเนี่ยมีวัตถุน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยหรือดีน้อยกว่าเขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจเอาอะนะฉะนั้นในส่วนที่เป็นกุศลนะคือส่วนที่เป็นสาระที่สุดคือถ้าหากว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะถ้ามันมีอยู่แค่นี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอะไรนะ ถ้าหากว่าชีวิตมันมีอยู่กันแค่นี้นะสมมติว่าเรานั่งกันอยู่ได้อย่างนี้ตลอดไปนะมีความสุขระดับเนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมล่ะกุศลจิตมันเกิดแบบนี้จากนี้ไปจนตายก็ค่อยยังชั่วหน่อยถามว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อเป็นไปไม่ได้กุศลเจตนาเหล่านี้มีผลนะเมื่อมีผลปั๊บนั้นชีวิตเราจังตะล่อมเข้ามาหาศีลเมื่อตะล่อมเข้ามาหาศีลปั๊บถ้าศีลก็คือเรื่องของกายและวาจา นคนที่สามารถรักษากายได้และวาจาโดยที่ไม่มีโทษคือคำว่าไม่มีโทษเนี่ยนะแปลว่าให้ผลเป็นเป็นสุขคือบอกเอ๊ะฉันนั่งอยู่อย่างนี้นะฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี้เราก็ถามว่าเออแล้วนั่งเฉยๆอยู่อย่างนี้เนี่ยให้ผลไปเกิดที่ไหนดีนะเราจะถามหาผลของสิ่งการกระทาเหล่านี้ อ่าส่วนหนึ่งถ้าคุศลจิตไม่เกิดนะเราตอบไม่ได้เลยสมมตินั่งเฉยๆเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งวันๆหนึ่งนั่งดูทีวีบ้างฟังเพลงบ้างฉันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองนะฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นฉันไม่บาปทีนี้เราก็ถามว่าเออแล้วที่ทําทําอย่างนี้คิดว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมถ้าไปสวรรค์นี่ควรจะไปอยู่ชั้นไหนดีปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่เขาทําอยู่ก็ยังเป็นไปกับอรุศล เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ผลเป็นเป็นความสุขเพราะทุกคนจะต้องรู้ว่าสภาพจิตในขณะนั้นเป็นอย่างไรอันกุศลจิตเนี่ยหนักไหมจะไม่หนักนะเป็นมีกรรมญตตาปาคุณยาตาและหูตามมทุตาจะมีความเบาความอ่อนความคล่องจิตใจจะสงบเยือกเย็นแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นอกุศลจิตนะดูเหมือนเฉยแต่ใจเนี่ยมันรุ่มร้อนะก็หเหมือนกับเตาอบอบที่ที่ข้างนอกมันดูเย็นดีนะแต่ข้างในนี้มันเร้าร้อน เจิตใจของคนที่เป็นไปกับอกุศลจะเป็นลักษณะนั้นฉันเขารกต้องเริ่มมาสังวรที่ศีลศนะีลเนี่ยเกิดจากอะไรศีลเกิดจากสมาทานอันดับหนึ่งต้องอาศัยสมาทานนะศีลจึงจะเกิดรอให้เกิดเองเนี่ยโอ้ไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิดมันต้องสมาทานเอาออคําว่าสมาธานนี้หมายความว่าเป็นอัตตสัมมาปณิทิใช่ไหมครับเจริญพาตั้งใจที่จะ รักษาศีลข้อนี้ยสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเราไม่เคยทานข้าวเย็นเลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าหากว่าไม่สมาทานก็ไม่เป็นศีล น, นะต้องสมาทานตั้งใจว่าเป็นนี้เป็นวัดอีกอย่างหนึ่งของเราที่เราจะประพฤติแบบนี้นะนั่นแหละอันสมาทานเป็นศีลก็เป็นกิจกรรลักษณะที่เรียกว่าศีลเนี่ยมีความควบคุมยควบคุมทางกายและวาจาอ่าถ้าควบคุมได้ดีระดับหนึ่งปั๊บเนี่ย เราจะรู้ว่าโอ้โหกายวาจาของเราก็ไม่มีโทษเมื่อกายวาจาที่ไม่มีโทษอย่างเงี้ยนึกตรงไหนก็หาหาที่กินแหลงใจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอริยาสาวกนะศีลของท่านไม่ขาดไม่ด่งังไม่พร้อยไม่ทะลุคือแปลว่าบริบูรณ์ทุกข้อเลยเมื่อบริบูรณ์ทุกข้อนะเป็นศีลที่ตันหาและทิฐิไม่ฉาบทาคือตันหาและทิฏฐิหมายคำว่าไม่คิดว่าจะเอาศีลอันนี้เนี่ยปารบไปเพื่อ ไปเป็นเทพเหล่าใดาเหล่าหนึ่งท่านไม่ได้คิดว่าเออศีลนี่นะฉันจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ป่ารบอย่างนี้และทิฏฐิไม่ได้ถือต้องว่าโออแค่ศีลเนี่ยฉันจะนิพพานได้ฉันจะดับกิเลสได้เพราะศีลนี่แหละไม่ได้เข้าใจในลักษณะนั้นแต่เข้าใจในลักษณะว่าศีลเนี่ยเป็นบันไดชั้นที่หนึ่งหรือเป็นรถผลัดที่หนึ่งเพื่อเพื่อจิตตะวิสุทธิเพื่อสมาธิท่านเราจะรู้นะว่า ใครศีลดีหรือไม่ดีลองนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดูเอาไหมก็บอกก็นึกถึงคุณพุทธเจ้าก็เฉยๆลองนึกว่าถ้าตายเนี่ยพร้อมไหมถ้าลองว่าคนมีศีลดีจริงๆนะจะไม่กลัวตายนะถ้าเราเรามั่นใจในศีนของเราจริงๆนะาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมการจุติหรือดับเนี่ยเป็นสมมุติเป็นความตายซึ่งถือว่าเป็นสมมตินะตายแบบสมมตินะ แต่สัตว์โลกสําคัญว่าเป็นจริงแต่ถ้าใ น, ในวินัยของพระผู้มีพระภาคหรือในคําสอนของพระผู้มีพระภาคการตายที่เรียกว่าศพนายกนายขอนางงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมมุติเพียงแต่จุติเรียกว่าเคลื่อนไปปฏิโนที่ก็ต่อใหม่ไปต่อที่ไหนเองนะทางนี้เขาเรียกว่าญาตายแล้วทางโน้นเรียกว่าเด็กคารกเกิดขึ้นนะเอกชนนะจุตินี้ปั๊บปฏิโนที่นั่นปับ๊บมันเร้ยว่ากับพิบตาเนี่ยยังช้าเลยอะ่ะ กับพิพตาเนี่ยช้าระหว่างจุติกับปฏิสนธิเมื่อมันเร็วขนาดนั้นปั๊บก็เป็นเรื่องที่เหมือนสมมุติเลยเขาจึงเหมือนกับอางูลอกคราบนะในชาดกหรือในพระคัมภีร์มีหลายแห่งกล่าวถึงว่าคนตายแล้วก็เหมือนกับงูลอกคราบงูที่ลอกคราบทิ้งคราบเอาไว้แล้วเขางูเนี่ยเสียดายไม่คราบเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นึกเสียดายไม่นึกห่วงใ ย, ยเลยหรือเราเปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งไปแล้วเสื้อผ้า ท, ที่ใช้ทั้งวันนะถอดออกมาแล้วนึกอะไรไหม ไม่ในนึกเลยอย่างมากเอาไปซักใช้ใหม่ถ้ามันยังดีอยู่แต่ถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไปแล้วก็ไม่คิดจะซักใช้อีกกายเหล่านี้ก็เหมือนกันเป็นกายเหล่านี้นะเป็นที่ดูบุญผลบุญผลบาปเท่านั้นเองเป็นขนของกรรมดังนั้นถ้าหากว่าเราอาศัยกายนี้มาวิรัตมางดเว้นเป็นกุศลศีลอันเราก็เจริญ ม, มรณ า, านุสติปาราบถึงความตายก็ไม่น่าเสียใจอะไรเพราะสิ่งที่เป็นกุศลเราก็เจริญแล้วนะ ก็บอกว่าความดีทางกายที่สัตว์ทั้งหลายพึงบำเพ็ญกันเราก็บำเพ็ญความดีทางวาจาพูดแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเราก็พูดคิดที่เรื่องที่ดีๆความคิดที่เป็นไปกับกุศลความคิดนั้นเราก็เจริญนั้นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเป็นมโนกรรมที่ไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษปั๊บสุคติเราก็หวังได้แต่ถามว่าศีลเราจะเอาแค่นี้เลยเพื่อไอ้เจริญสมาธิเพื่อแค่ไม่กลัวตายเท่านั้นหรือบอกพระองค์บอกว่าไม่พอ ถึงคนที่ประรออย่างนี้ถึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีมาเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาสมมติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้อีกเอาไหมสนุกไหมนั่นแหละองค์ก็บอกว่าถ้ามีเกิดสิ่งอื่นๆก็ตามมาอีกมากมายนะชราพยาธิมรณะโศกกะปริเทวะโรคภัยไขย้เจ็บต่างๆก็รุมรุกเข้ามาแล้วเพราะว่าเจตนาของเราท่านทั้งหลายไม่มีใครมีเจตนาที่เป็นกุศลได้ตลอดใช่ไหม เมื่อไม่มีใครเป็นเจตสามารถเจริญกุศลเจตนาได้ตลอดแล้วบาปที่ทําไว้คิดจะไม่ให้เขาให้ผลเลทีนี้บาปนั้นบางคนบอกว่าเออชาตินี้เกิดมาชาติไม่ได้ทํากรรมหนักๆอะไรมาหรืออ่า น, นะถ้าหากว่ารู้เรื่องกรรมดีๆแล้วจะไม่โอดครูนเลยเพราะเราก็ถามดูว่าเออชาติทั้งชาตินี้เราเป็นกุศลจิตหรือเจริญกุศลจิตได้ขนาดไหนไอ้ที่เหลือบาปหมดแหละอ่นนะสมมุติว่า เออชาตินี้ฉันทํากุศลได้ขนาดนี้ขนาดขนาดนี้เออที่เหลือนั่นแหละบาปหมดล้นั่นแหละก็สิ่งที่ไม่ใช่กุศลนั่นแหละคืออกุศลนั่นแหละเพราะถ้าเราถามหาว่าเออเราไม่เคยทําบาปนะเราต้องถามหากุศลที่เราทำไว้เราทํากุศลข้อไหนบ้างเออไม่มีโทษและไม่มีโทษยังไงแล้วก็ถามด้วยความซื่อตรงต่อตัวเองพวกที่เจริญลนนักษณะนี้บ่อยๆจะได้เทวตานุสติดี เพราะเทวดาก็คือผู้ที่มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเทวดาคือหมู่ชนที่ประกอบไปด้วยฮิริและอุดรปัจทีนี้เราก็เริ่มศึกษากระแสของชีวิตว่าเออผลบุญเขาผลบาปเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อ บ, บรมกรร ม, มสกตาปัญญาพื้นฐานการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นกรร ม, มสกตาปัญญาอยู่แล้วแต่อาศัยกรร ม, มสกตาปัญญาเพื่อเพื่อวิปัสสนาปัญญาใช่ไหม วันก่อนพราะความในาวิสุทธิมรรคมากล่าวว่าเขาบอกว่ากรรมก็ไม่มีในผลของกรรมผลของกรรมก็ไม่มีกรรมอยู่ด้วยตรงนั้นนะกรรมก็ว่างจากผลของกรรมตัวผลของกรรมก็ว่างจากกรรมแต่สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกันคนลักษณะกันนะแต่กรรมอุปการะเกื้อกูลต่อผลของกรรมถ้ากรรมไม่มีผลของกรรมมีไหมอนะหน กรร ม, มชรูปเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือกรรมเฉรูปใช่ไหมที่นั่งกันอยู่เนี่ยกรรมเฉรูปสิ่งเหล่านี้กรรมเนี่ยบันจงวิจิตแต่งขึ้นเพราะตัณหาเป็นเป็นปัจจัยถ้ากรรมตัวนั้นหมดไปอะไรจะเกิดขึ้นอ่าก็อร์มานะเห็นโยมคนหนึ่งเขาเขาทานยาผิดอะ่ะเขากินยาผิดอะนะผิดประเภทโอ้ก็คนผิวขาวธรรมดาเลยนะเขียวแบบเห็นเลยอะ่ะหูวอันจะขนาดนั้น คือมันสีผิวของเราพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะเคยเคยเห็นนะบางคนเนี่ยพักเดียวแค่นั้นเดียเปลี่ยนผิวผิวพรรณเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยอะนั่นแหละซึ่งเราเรามีค่ากับอะปริประลาดในลักษณะเที่ยงหรือจะเป็นลักษณะนี้ตลอดไปแต่ถ้าเอาข้อมูลในการเปรียบเทียบแต่ละแห่งแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบแล้วหาความมั่นคงไม่ได้ในในผลของกรรมเหล่านี้ ทำไมจึงไม่มีความมั่นคงเพราะตัวกรรมมันไม่มั่นคงตัวกรรมมันไม่มั่นคงเหมือนกับกุศลเจตนาขณะนี้มั่นคงไหมกุศลเจตานานี้หาความมั่นคงไม่ได้กุศลเจตานาเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยแม้แต่กุศลขณะนี้ใช่ไหมอาศัยเสียงเป็นอารมณปัจจัยอาศัยกุศลจิตก่อนๆอาศ er ัยจ er ิตก่อนๆเป็นอุปนิสัยปัจจัยอาศัยความแยบคายเป็นปัจจัยดังั้นปัปจจัยตั้งอาศัยทั้งหลายอย่างเมื่อ ตัวกุศลเนี่ยประชุมพร้อมด้วยปัจจัยผลของปัจจัยนั้นนั้นจึงไม่เที่ยงเพราะปัจจัยไม่มีปั๊บผลของปัจจัยจะไม่มีเมื่อสิ่งอะไรนี้เพราะปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยมันว่างจากกันมันคนละอย่างกันแต่เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเห็นไหมเป็นของที่น่า ย, ยินดีไหมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้เหมือนกับเสียงตบมือใช่ไหม อาศัยการมือซให้มือขวามากระทบกันปับเสียงตบมือเกิดขึ้นสิ่งที่เรายินดีก็เหมือนกับตัวเสียงที่ตบมือนั่นแหละฟันสิ่งนี้มันเกิดจากปัจจัยตลอดเลยเสียงก็ไม่ใช่มือจนผ่านมือก็ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงแต่อาศัยมือกับมือกระทบกันจึงเกิดเสียงแต่เสียงจะไม่อาศัยมือไม่ได้ไม่ได้และตัวมือแต่ละข้างเนี่ยมันมั่นคงไหมมือแต่ละข้างก็ไม่มีความมั่นคงแล้ว อาศัยมือที่ไม่มั่นคงทําให้เกิดเสียงเนี่ยเสียงก็ยิ่งไม่มั่นคงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เพื่อนะก็บอกว่าจิตที่ปัญญาอบรมลักษณะนี้มากๆก็จะพ้นจากอาสวะอาสวะคื อ, อไรหนึ่งกามมาสวะคือพ้นจากความยินดีในสิ่งเหล่านี้อสองพ้นจากภาวาสวะปรารถนาเพื่อให้มีแบบนี้ แล้วก็หลุดพ้นจากทิฏฐาสะวะความสําคัญผิดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอัตตาหรือว่าเป็นตนเป็นอัตตาหรือว่าอั ต, ตานี่เที่ยงหรือขาดศูนย์งงอย่างเงี้ยก็จะพ้นจากทิฏฐาสะวะเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายก็พ้นจากอวิชชาสะวะเพราะรู้ความเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้ามือซ้ายมือขวามไม่มีมากระทบกันเสียงก็ไม่มีถ้าเจตนามไม่มี ผลของเจตนาก็ไม่มีวิบากก็ไม่มีนะเมื่อวิบากไม่มีถามว่าชอบไหมเอาไหมอ่าเขบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้เจริญประเภทธรรมะประเภทเบือหน่ายนะก็ไม่เอาอ่ะก็ยังยินดีแต่ก็ไม่เป็นไรก็ศึกษาเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรมจนจะเข้าใจเรื่องกรรมมากขนาดไหนแหละจึงจะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราไม่ชัดเจนเรื่องกรรมมากนะเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยเราได้แต่คําไป เราได้แต่คําว่าวิปัสนาไปคําว่าวิปัสนาเป็นเชื่อของปัญญาปัญญาเนี่รู้แค่ไหนปัญญาปัญญาปฏีปโอปัญญาเหมือนกับแสงสว่างหรือปัญญาเหมือนประสาทปัญญาปาสาโทเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไปยืนอยู่บนที่สูงอ่ะมองเห็นได้กว้างเห็นได้ไกลเห็นได้เยอะอ่ะฉั้นปัญญาจะเป็นลักษณะนั้นอย่างน้อยที่สุดปัญญาเห็นกรรมและเห็น อริยสัจนั้นปัญญาที่เป็นประธานที่สุดก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจปัญญาที่เห็นนิพพานเรียกว่าทัศนธรรมะเลเห็นนิพพานนะเห็นนิพานนนนพานก็คือเห็นธรรมะเป็นที่สางสางความเมาอย่าง <c oughs> <c oughs> อั้บางทีเราอ่านพระไตรปิฎกนะครับบางทีข้อความก็เดิมๆนั่นแหล ะ, ะแต่บางครั้งเราก็คิดคิดแล้วเออทําไมแต่ก่อนเราไม่เคยคิดนะเช่น เช่เรา <c oughs> เห็นความไม่เที่ยงของจิตเนี่ยนะครับของวิญญาณเนี่ยมุ่ว่าสภาพคิดนึกนี่นะครับเราคิดอะไรนี่นะครับขึ้นอยู่กับรูปารมณ์นะอย่างหนึ่งขวานหนึ่งนะที่รูปารมณ์นี่นะครับเกิดขึ้นแล้วรูปารมณ์นั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อรูปอารมณ์ไม่เที่ยงนะครับวิญญาณก็ไม่เที่ยงเพราะวิญญาณมันเกิดจากรูปอารมณ์ เอ่ความจริงข้อความเพียงเท่านี้นะก็น่าจะทําให้เราได้ได้เห็นว่าอไอความไม่เที่ยงของวิญญาณเนี่ยนะครับมันชัดเหลือเกินนะครับคือที่มันเป็นอย่างนั้นนะที่เราอ่อนในการพิจารณาอย่างนั้ น, นสี่ลวิสุธทธิเราไม่ดีนะคือคือยังมีอะไรที่มันค้างคาเย อ, ยอะแล้วก็สองจิตะวิสุธทธิเราก็ก็ไม่ดีนั่นะแล้ว อุปนิสัยในการพ้นทุกข์เราไม่แรงกล้านันหะคือเราไม่ได้คิดจะพ้นทุกข์อะไรคือคือพูดแบบทั่วไปนะถามว่าให้บรรลุวันนี้เอาไหมแล้วเคยคิดอย่างนี้ไหมที่จะพ้นทุกวันนี้เนี่ยคิดไหมถ้าไม่คิดนะไม่เพียงพอแน่นอนมันคิดไม่ต่อเนื่องามาคิดก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต่อเนื่องอย่างข้อความในคัมภีร์หลายแห่งเนี่ยถ้าเป็นปริปุณะศีล ปรปุณะปาริสุทธิศีลก็คือศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยคือศีลอย่างไรคือศีลของกาลยาณปุตุชนผู้มีความมุ่งหวังว่าวันนี้จะเป็นพระราหัตเขาพร้อมวันนี้เลยนะก็ไม่ได้ว่าคิดว่าเป็นพรุ่งนี้เลยโอลชันโยมมรนังสุเวนี่แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเขาจะเอาแต่วันนี้แหละหรือถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะจะบรรลุในข้าวคาเดียวนั่นแหละ เขาเพ่งในข้าวคําเดียวทำยังไงเขาจะรู้แจ้งขนาดนี้เลยอ่าไม่ได้ไปคิดว่าปีหน้าชาติหน้าไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าไม่มีสักอย่างขณะนี้แหละเพราะเขามีความเข้าใจในเรื่องคําสอนเป็นอย่างดีถ้าอย่างอย่างพระบางองค์เทศมาเคยรู้จักนะบางบางองค์ท่านมีความคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะท่านจะบรรลุขณะนี้แหละและจะบรรลุเดี๋ยวนี้ด้วยมีความคิดแบบนั้นด้วยท่านมีความคิดลักษณะนั้นเลย เพราะะทธรรมะอะไรที่จะทําให้มันประมวลมาเข้าใจได้ท่านจะรีบประมวลขึ้นมาเลยแล้วลักษณะพอกโูในลักษณะนั้นอันถ้าหากว่ า, เ, าเป้าหมายของเราไม่มั่นคงมากนักมันก็เหมือนกับเราจะเข้ากรุงเทพนั่นแหละคือเออกรุงเทพกับกรุงเทพนั่นแหละแต่ก็ยังไม่รู้สึกรีบเพราะอะไรนะัะนะเที่ยวบ้านตาอากาศาหน่อยดูสวนนั่นนิดหนึ่งเที่ยวถ้านั้นหน่อยหนึ่งไปทานอาหารร้านนู้นอีกหน่อยเนี่ยก็ไปเรื่อยๆแต่สําคัญที่สุดนะ กลัวแต่ไปเจออย่างอื่นก่อนไม่ไปก็ได้ไอ้กรุงเทพเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนแผน <c oughs> นั่นแหละกลอาจจะเป็นลักษณะนั้นไปนั้นของเรานะในในลักษณะของปุถุชนนั้นอ่ะ <c oughs> จริงอยู่วันนี้เรามีเป้าหมายเพื่อความอ่าพ้นทุกข์หรือมีเป้าหมายเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจะทำแต่ถ้าเราเกิดตายในขณะนี้ปุ๊บนะเจตนาบางอย่างเป็นปัจจัยให้เราไปนับถือาศาสนาอื่นมันจะมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเลยนะ มันจะไปอยู่ในแดนอมตะแดนหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละจะไปอยู่ในลักษณะนั้นเราจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนระบบความรู้สึกนึกคิดหมดเลยนั่นแหละพอเปลี่ยนระบบปรับตันหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องเนิร์นช้าก็เข้ามาแล้วทีนี้มันก็เปลี่ยนอีกแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้กว่าจะมาตั้งเบนเข็มมาเป็นอย่างงี้อีกนั่นแหละแล้วเบนเข็มการเบนเข็มของเรานะเบนเข็มเพื่อความบนทุก์เนี่ยเราคิดว่าความบนทุกอยู่ที่ไหน ความชัดเจนของเราเรื่องนี้เราต้องมีความมั่นชัดเจนอย่างมากเออถ้าเราจะพ้นทุกเนี่ยพ้นจากอะไรไม่ใช่คิดหาที่ไหนก็ไม่รู้อ่าถ้าเราคิดหานะแสดงว่าเราไม่มั่นคงในเรื่องขันห้าอ่าความชัดเจนในอารมณ์ของวิปัสสนาเราไม่มากการใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะเราอ่อนไปอ่าถ้าอ่อนก็ศึกษาเรื่องกรรมให้มันชัดมากขึ้นอย่างเดียว นะการที่จะเสริมพวกความรู้เหล่านี้ก็ต้องกลับไปเสริมกรรมสกตาก็ลงไปลึกอีกหน่อยนะครับพวกไปเสริมศีลก่อนนะครับเนะเอาศีลให้ให้เจ้าเจ้ากัอนนะถ้ากรรมสกตาดีนะกลัวบาปนี่นก็รักษาตีดีเองนะ <laughs>